ข้อธรรมเหล่านี้ผันไข ท, ที่ทรงจาหัวข้อธรรมเหล่านี้ได้ก็นับว่าเขาเป็นผู้มีสุตตะนะที่เรียกว่าไม่หนักหนักที่จะศึกษาพระธรรมต่อๆไปแต่ถ้าหากว่ายังจาไม่ได้ก็ถ้าไม่มีฉันท่ามากนะก็ให้ดูให้บ่อยเข้าไว้นะดูให้บ่อยๆวันละครั้งสองครั้งดูแบบสวดมนต์ก็ได้เช้าสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าวสวดมนต์เย็น ก็ไม่นานนะักก็จะได้เหมือนกันแต่สําคัญเนี่ยนะเรามีใจรักมีศรัทธาที่จะเอาหรือเปล่าตรงนั้นอนะที่มันสําคัญมากๆเลยนะเอามาทําให้คนจําเนี่ยไม่ยากแต่ว่าทําให้คนเลื่อมใสายในสิ่งนั้นเนี่ยยากเพราะถ้าเขาเลื่อมสายแล้วจำไม่ก็ยากขอให้เขามีอะไรนะเขาบอกว่าอาหารเนี่ยนะคนเนี่ยกินไม่ยากแต่ทําให้อยากกินเนี่ยยากนะทำให้มีความรู้สึกว่าอยากกินเนี่ยยากมาก ถ้ามีเขามีความรู้สึกสักอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ยากวิชาไหนจะไม่รู้สึกยากเลยธรรมะลักษณะเดียวกันคัมภีทุกคัมภีเนี่ยนะจะไม่ยากถ้าเขามีฉันทะที่จะเรียนจริงๆแต่ที่ยากก็คือไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจเนี่ยนะแต่แต่อย่างว่านะคนที่จะชอบใจในธรรมะที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหาได้ยากนะักนี่ยนะเพราะว่าสิ่งใดที่ไม่ อุปการะเพื่อกูลแก่ตนมักจะทําสิ่งนั้นสิ่งใดที่เพื่อกูนต่อตนก็ไม่ค่อยอยากทําแม้กระทั่งในโลกนี้เหมือนกันนะคนที่ชอบทํางานมีไม่กี่คนชอบวันหยุดมากกว่าเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเมื่อไหร่จะเลิกสักทีแม้กระทั่งประกอบอาชีพนะแม้กระทั่งประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ให้ถามว่าเที่ยวนันดียังไงอนะรายได้ก็ไม่เพิ่มรายจ่ายก็มากขึ้นงานก็เสียแต่ว่าชอบชอบน่ยนะแต่ว่า ที่เป็นงานอ่ะไม่เคยชอบอีกแนละ้เออมันกลับเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่อุปการะเพื่อกูลต่อโลกนี้ก็ยังชอบสิ่งที่อุปการะเพื่อกูลต่อโลกนี้ต่อโลกนี้ก็ไม่เคยชอบแม้กระทั่งท่าธรรมก็ลักษณะเดียวกันนะยอมก็มาปรารภว่าอู้คนไปเที่ยวห้างเนี่ยเยอะมากแต่มาฟังธรรมน้อยมากแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆออกมาไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ว่าตาเนี่ยนะตลอดว่าตะอันยาวนานที่พระองค์ตรัส ก, กับพระอนนท์ว่าตลอดแสนกลับเป็นอนเนกเขาไม่ได้ฟังธรรมเลย น, นะเนีขาไม่ได้ฟังธรรมเลยฟังแต่เดรัชานคถาเพราะฉะนั้นเขาสั่งสมเขาสั่งสมอัธยาศัยที่เรียกว่าสิ่งที่เกื้อกูลต่อราคะสิ่งที่เกื้อกูลต่อโทสะสิ่งที่เกื้อกูลต่อโมหะเขาชอบมากคําใดก็ตามที่ก่อให้เกิดราคะเขาชอบฟัง คำใดก็ตามที่ยั่วยุให้เกิดโทสะเขาก็ชอบฟังคำใดก็ตามที่ยั่วยุก่อให้เกิดโมหะเขาก็ชอบฟังเห็นไหมก็เช่นการละเล่นต่างๆในโลกนี้ทุกชนิดเกื้อกูลต่อราคะเกื้อกูลต่อโทสะเกื้อกูลต่อโมหะท่า น, นมูสัว์นี่ชอบมากที่จะดูในลักษณะนั้นเพ่า น, นอะไรก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเนี่ยมูสักเนี่ยนิยมเพลิดเพลินมีความสุขกับสิ่งนั้น แต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอาวิชานั่นแหละปกปิดปิดบังทําให้เขาลุ่มหลงแต่ทีนี้ถ้าพูดใช้คําว่าอวิชาวิชาเนี่ยนะก็เราต้องนึกถึงอะไรถ้าใช้คําว่าอวิชาวิช า, า, ชาไม่รู้อะไรหนอะจึงเรียกอวิชายังไงยังไงก็อย่าบอดตาใสกันแล้วกันนะะหูหนวกอา่าเรียกอะไรหนวกหูดีอย่างนี้เนะบอดตาใสกับหนวกหูดีบอดตาใสก็เห็นสีแต่ไม่เห็นอริยสัจ ก็ยังไงยังไงก็เรื่องเทวทูตสี่ประการเนี่ยเอามาคิดให้มากๆหนเลยนะเทวทูตทั้งหลายเพื่อที่จะได้เห็นว่าจะได้เห็นอริยสัจมากขึ้นเทวทูตนะเทวทูตยังไงก็นึกๆึบ่อยๆ่นะหนึ่งเทวทูตที่หนึ่งท่านเคยเห็นเด็กอ่อนนอนแบเบากระสอบกระแสะในโลกนี้ไหม นอนเกลือกกลั่วอยู่ในอุจจาระปัสสาวะของตนดีนะวิวัฒนาการสมัยใหม่มีไอผ้าอะไรมาปกปิดอนะถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนนโยม อ, อนะมีความสุขกับการเล่นก้อนเหมือนก้อนขมิ้นนั่นก็เป็นเทวทูตน้อยอย่างเงี้ถ้าเทวทูตโตขึ้นมาหน่อยก็จะคนคนชราหรือคนแก่ทั้งหลายก็นับว่าเป็นเทวทูตผู้การบอกว่าคนออกกำลังกายนี่เหมือนกับการต่อสู้ฆ่าศึกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะนะ มันต่อสู้มากขนาดไหนทุกกันรำมวยจีนเลยที่จะต้องต่อสู้อย่างชนิดที่เรียกว่านะมันการออกกําลังกายเนี่ยถ้าใครที่ไม่ออกกําลังกายก็ลําบากหน่อยอันเทวาทูตอย่างที่สองก็คือคนชราคือคําว่าเทวาทูตหมายถึงทูตของวิสุทธิเทพคือทูตของพระอรหันต์ว่างั้นเถอะ ผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านเห็นกันอย่างนี้ท่านคิดอย่าง ก, กันอย่างนี้คือเรียกว่าเทวทูตทูตของพระอรหันต์หรือทูตของเทวดาเนี่ยนะในในทูตสูตรนี่บอกไว้เลยคําว่าเทวทูตเนี่ยหมายถึงทูตของเทวดาหมายถึงทูตของพระอรหันต์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะโดยที่ไม่รู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมีไหมไม่มีเนี่ยนะยังไงเขาต้องรู้ชาติชราและมรณนะฉะนั้นความแก่ทั้งหลายก็นับว่าเป็น เทวทูตแม้แต่ความตายก็ยังตีเรียกว่าเป็นเทวทูตเนี่ยนะแต่ว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยกลัวมากเนี่ยนะกลัวจริงๆนะทั้งๆที่เป็นความจริงเนี่ยคำว่ากลัวนี่หมายความว่าไม่อยากรับรู้คาว่ากลัวนี่ไม่อยากรับรู้เลยไม่อยากรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บและความตายไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยิน ดีไม่ดีดูถูกคนอื่นด้วยอาศัยความแก่ความอาศัยความที่ตนยังไม่แก่ความที่ตนยังไม่ป่วยความที่ตนยังไม่ตายก็ดูหมิ่นผู้อื่นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความเมาความเมาในวัยหนุ่มวัยสาวความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตเนไความเมาในความเป็นอยู่นี้ความเมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ เป็นปัจจัยที่สําคัญมากอนะเพราะความเมานี่เป็นชื่อของตันหากลับมานะทําให้สัตว์ทั้งหลายไม่รู้สัตว์จะทำไม่เอาความจริงมาคิดเมื่อเขาไม่เอาความจริงหยาบขนาดนี้มาคิดนะไอ้ขี้จะคิดแยกแยะว่าอความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายแล้วเบื้องหลังของเกิดแก่เจ็บตายมันคืออะไรเอามาคิดบ่อยไหมเบื้องหลังของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ยอมเอามาคิดอ่ะนะเกิดแก่เจ็บ ตายเบื้องหลังของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเอางี้ก่อนสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายอะ่ะคืออะไรก็คืออุปาทานขันห้าหรืออายตนะหกเนี่ยนะหรือวิญญาณทิฏิเจ็ดหรือสัตตสวัตตเก้าพวกนั้นอะ่ะคือสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรมนธรมดาถ้าเขาไม่ใส่ใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเขาจะสนใจเรื่อง ขันห้าน้อยลงสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจน้อยลงถ้าสนใจเรื่องขันห้าน้อยเขาจะสนใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจน้อยลงรูปเสียงเกลื่อนรถโภทพะน้อยลงจากขูวิญญาณโสตากานาชิวหากายะวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยน้อยลงไปถ้าใส่ใจสามอย่างน้อยผรรษะก็จะค่อ nice. ย ใ, ใส่ใจน้อยถ้าผัสใสใจในพรรษะน้อยเวทนาก็น้อยถ้าใส่ใจในเวทนาน้อยสัญญาก็น้อย เจตนาก็รู้น้อยตัญหายิ่งก็เขาเขาจะว่าเขารู้ก็ใช่แต่จริงๆเขาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าต้นเหตุของตัณหามันเกิดจากยังไงอะไรยังไงเขาไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าเขาชอบนะเหมือนอย่างคนเมาเขาบอกเขามีสตินะเคยได้ยินไหมคนเมามีสตินั่นแหละคนที่มีตัณหาเขารู้ว่าเขามีตัณหารู้แบบคนเมานั่นนะเมื่อเขาไม่รู้จักตัณหาเขาก็แยกแยะเรื่องวิตกวิจารณ์ไม่ออก สรุปว่าถ้าไม่คิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจะคิดเรื่องขันห้าน้อยลงถ้าคิดตัณหาเนอขันห้าน้อยลงคิดอายตนะภายในน้อยอ า, ายตนะภายนอกมาคิดก่อนน้อยวิญญาณก่อน้อยภาษะเวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารเพราะว่าธรรมะทั้งหกสิบคือตัวที่บายขันห้าเหนไ อายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาตันหาวิจกวิจาร์ะ่ะคือตัวที่มาอธิบายขันห้านะถ้าหากว่าคิดในเรื่องขันห้าเหล่านี้น้อยเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องตายน้อยวัตถุแห่งสมุทัยสัตว์เขาจะไม่เอามาแยกแยกเลยซึ่งปรีรูปสารูปเหล่านี้นี่แหละทั้งหกสิบนี่แหละเป็นวัตถุแห่งสมุทัยสัตว์เป็นสิ่งที่ตันหาไปล่ำเอาไว้ ไปล่ามในอายตนะภายในบ้างล่ามไว้ในอายตนะภายนอกบ้างล่ามในวิญญาณหกในภาษาหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิโตหกวิจารหกเนี่ยล่ามเอาไว้กับสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าแยกแยกแยกแยกให้เห็นให้เราเห็นทั้งหกสิบนี้เพราะทําไมพระองค์จึงแยกขนาดนั้นคือพระองค์เห็นว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายในยุคหลังเนี่ยปัญญาเขาน้อยธรรมจักรปปวัตนสูตรเนี่ยแยกไม่ว่า พิยารูปสาวตรูปหกสิบแยกไหมไม่แยกกลมธาัญญาโกณทัญญาปัญญาขนาดนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องแยกว่าโดยย่อคันหาคันห้าคือตัวทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอถือว่ารู้กันละที่เหลือไปขยายเอาเองเป็นอายตนาภายใน6หกอายตนาภายนอกหกวิญญาณหกภัษาหกเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกวิตกหกวิจารหก กสถือว่าท่านไปรู้อยู่แล้วท่านใค ร, คร่ครวญวิจัยได้เองะบอกมาเลย ว, ว่ามันคือขันธ์ห้าที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นวันนี้คือทุกขาริยาศัพท์ความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นสมุทัยอริยสัจทัดดับสิ่งนี้เป็นนิโรธอริยสัจสัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องในสิ่งนี้นะคิดเรื่องนี้ให้มากพูดเรื่องนี้เป็นต้นท่านฟังจบท่านบรรูุเลยอย่ะไงท่านเข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรกันซึ่งการพิจารณาพระธรรมเนี่ยเราต้อง ฝึคิดแบบลึกแบบแบบอะไรนะมองแบบยาวบ้างมองแบบละเอียดบ้างมองแบบปานกลางบ้างเนั้นถ้ารมพระผู้มีประภากแสดงทั้งแบบย่อแบบปานกลางและแบบพิสดารถ้ายาวๆเขามองเป็นทีคนิกายยังไงสั้นปานกลางหน่อยเรียกมัชชิมนิกายสั้นลงมากว่านั้นก็เป็นสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายเป็นต้นเนี่ยนะคือคือสามารถแสดงให้ทั้งย่อทั้งแบบพิสดาร ถ้าเรามองว่าการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาคมภีทั้งหมดเนี่ยคือการศึกษาเรื่องชีวิตเป็นการมองชีวิตเพื่อออกจากวะตะัตถุเนี่ยนะเราจะศึกษาได้อย่างมีความสุขมากเนี่ยนะมีตำราเรียนประเภทไหนมั่งที่นักเรียนเรียนด้วยความ camel, อ่านด้วยอย่างมีความสุขเท่ากับพระไตรปิฎกหายากในโลกอันนี้ถ้าเรียนเข้าใจถึงวิชานะคนที่อ่านพระไตรปิฎกเข้าใจอย่างดีนะที่ไม่มีความสุขกับการอ่านพระไตรปิฎก ไม่มีหรอกต้องมีความสุขอย่างแท้จริงไอ้แต่ที่ไม่มีความสุขก็คือไม่รู้่แต่เข้าใจว่ารู้คิดเอาเองว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยเนี่ก็จะทําให้ไม่มีความสุขในการอ่านาการตัณฑ์พูดอยู่คําหนึ่งชื่นใจบอกว่าโ อ, อ้คนนี้อ่านพระไตรปิฎกเออมันน่าอ่านไปทุกสูดเลยเพรางั้น <laughs> ก็แสดงว่าโอนาคตอ่านมากแน่นอนนะก็ต้องดูว่าถ้ามีฉันทาระถ้ามีอะไรเนะยมีอักษรธาตุในพระไตรปิฎกยังไงก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกใช่ไหม แต่ถ้าเห็นอาร์ทีนวะในพระไตรปิฎกนี่ไม่นานเนี่ยนะบอกคืนเลยนะใครส่งมาให้ก็เอาไปคืนเถอะว่างั้นเอานะอันนั้นหมายถึงถ้าเห็นอาทีนวะนะถ้าเห็นอสาท า, าในพระไตรปิฎกแล้วก็เจ<ะ>๋อาอัศาธาไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายนะถ้ามองในแง่หนึ่งเพราะสุกโสมมณัตอันใดาอาศัยการอ่านพระไตรปิฎกอันนั้นเป็นอัศาธ า, ถ, าถ้าอ่านพระไตรปิฎกอย่างมีความสุขเป็นต้นเนี่ยถามว่าดีหรือไม่ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวสุขที่เกิดจากเนคขมมะอย่าได้กลัวสุขที่ปราศจากอามิตพองไม่ได้สอนให้กลัวสุขไปทุกเรื่องบางคนเนี่ยบอกไม่ทําหรอกสมาธิกลัวจะติดความสุขนั่นว่าไปนั่นอกีกหาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญจริงๆ อ, อ, อ, อ, อาจารย์เบนถานอาจารย์นะครับอย่างนี้จะต้องแยกหรือเปล่าครับว่าอาสาท่เนี่ยจะมีส่วน ที่จะต้องละกับส่วนที่สามารถอบรมเจริญได้เพราะว่าถ้าเป็นสุขโสมนัสที่เกิดจากการอบรมเนคข ม, มะเนี่ยให้เกิดปีติส่วนเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องเจริญใช่ก็เวทนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทใช่ไหมสโสมนัสเวทนาที่อาศัยเนคข ม, มะกับสโสมนัสที่อาศัยกามพึงเจริญโสมนัสอาศัยเนคข ม, มะเพื่อละสโสมนัสอาศัยกามอันนี้คือสูตรเป็นอย่างนี้ ก็แบ่งเป็นอะไรกันโสมนัสโทมนัตและอุเบกขา